กี่เดือนกุมภาที่ไม่เคยมีคนกุมมือกี่เดือนนี้นะที่ไม่ได้เจอคนมีใจกี่เดือนกัญญาที่ไม่มีกันได้ผุนผ่านไปกี่เทศกาลที่ฉันต้องเหงาคนเดียวอย่างนั้นกี่ปีแล้วที่ฉันต้องทนมองคนอื่นเขารักกันกี่นาน ฉันต้องเดินโรแมนติกเพียงลำพังกี่เพลงรักที่ต้องเอาไว้อยากเปิดให้ใครได้ฟังแต่ปีนี้ไม่เป็นอย่างนั้นก็เธอในปีนี้ฉันไม่ต้องเงานังมองใครเขาไม่ต้องอิดช้าเพราะฉันมีเธอที่เดินเข้ามามาชอฉัน้องด้วยกัน บ้านดอกไม้ที่ตได้เดินผ่านกุหลาบสขีขาวที่อยากจะซื้อให้ใครมาตั้งนานรานที่มีแต่ครูรักเขานั่งกินด้วยกันไปไหนก็ไปด้วยกันเซอร์ไพรส์ในวันสำคัญขอบคุณนะที่เธอได้เขามาเป็นคนนั้นปีทีแล้วที่ฉันต้องทน แต่ปีนี้ไม่เป็นนึ่งนั้นเพราะเธอในปีนี้ฉันไม่ต้องเงาหนังมองใครเขาไม่ต้องอิจฉาเพราะฉันมีเธอที่เดินเข้ามามาฉลองด้วยกัน